พวกเราเคยทำกระเป๋าเงินหายเม็นไหมคิดว่าคงเคยนะกันทุกคนและได้คืนบ้างมะไม่ได้อะเขามีเขาพบว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้มีโอกาสได้คืนมากก็คือเอารูปเด็กนะรูปเด็กน่ารักเนี่ย าสายไว้ในกระเป๋านะที่น่ารักเด็กที่กำลังยิ้มนะ่ะเด็กทาลกยิ่งดีเลยนะเขมีการทดลองนะอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะแต่ว่าเป็นที่ประเทศอังกฤษเขาบว่าถ้ามีในกระเป๋าเงินเนี่ยมีภาพเด็กน่ารักอย่างที่ว่าเนี่ยมีโอกาสจะเขาบว่ามันมีการส่งกลับคืนมา88เปอร์เซ็นะ18เปอร์เซ็นตแต่ถ้าเป็นภาพ หมาภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะได้คืนมาประมาณ 50% ต้นๆ น, น, นะแล้วถ้าเป็นภาพครอบครัวอุ่นนะพ่อแม่เด็กนะกำลังยิ้มมีความสุขก็จะได้มาก็ได้มาสักประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่มีภาพอะไรเลยนะที่เขา้นลองเนี่ยก็ได้กลับคืนมาแค่ 15% นะ ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ไม่ใส่ภาพอะไรเลยเนี่ยได้มาสิบห้าเปอร์เซนตกลับคืนมาอันนี้ก็ทำที่ประเทศอังกฤษนะเขาก็วิธีการเขาคือเขาเอากระเป๋าเงินนี่แหละไปไปหย่อนตามที่ที่มีย่านชุมชนนะโรงพยาบาลหรือว่าสนามกีฬาอะไรเงี้ยนะอันนี้เขามีการทดลอมแบบนี้หลายแห่งนะแล้วก็หลายคนก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกัน เพะว่าถ้าในกระเป๋าเงินมีภาพเด็กน่ารักเนี่ยนะจะมีโอกาสได้คืนสูงมากมากกว่ า, าเงื่อนไขหรือกรณีอื่นอื่นอันนี้ก็ไม่รับรองที่เมืองไทยนะแต่คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสมีโอกาสมากกว่ามากกว่าไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะถามว่าทํำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่เก็บได้นี่เขาสงสารหรือเปล่านะ นะเขาสงสารเจ้าของกระเป๋าก็ <_ T> อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าคงไม่ใช่สาเหตุสาคัญนะเหตุสำคัญคือว่าพอใครก็ตามที่เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วก็ในกระเป๋านะั้นมีภาพเด็กกำลังยิ้มน่ารักเนี่ยคนที่เก็บได้ก็จะพลอยมีความสุขนะเวลาเราเห็นเด็กยิ้มเนี่ยใจเราก็พลอยยิ้มด้วยเวลาเราเห็นเด็กมีความสุขนะใจเราก็พลอยมีความสุขด้วยนะ แล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษนะถ้าเด็กร้องไห้เนี่ยนะเราก็จะพลอยรู้สึกไม่ค่อยดีนะอันนี้มันมีเหตุผลอธิบายหลายอย่างนะยในทางประสาทวิทยานะเช่นเรื่องเขาอธิบายว่าเพราะว่าสมองคนเรานี่มันมีเซลล์สมองชนิดหนึ่งทเรียกว่าเซลล์กระจกนะแต่ว่านี้จะจะแม่อธิบายในที่นี้นะ เราจะพูดในแง่ที่ว่าในแง่ของใจของคนเนี่ยนะเวลาเห็นใครมีความสุขเนี่ยเราก็พรอยมีความและความสุขที่เกิดขึ้นกับใจของคนที่เจอกระเป๋าได้เนี่ยมันทําให้อยากจะทําความดีเรืล็กน้อยเนี่ยไม่อยากทําความชั่วนะเวลาใจเราสบายสบายเนี่ยนะเรียกว่าตอนนั้นเกิดอุุสลธรรมขึ้นในใจ ความสุขก็ดีความสมาธิก็ดีเนี่ยเมื่อมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะพลอยเอื้อกูลทําให้กุศลธรรมตัวอื่นเกิดขึ้นมาได้ง่ายเช่นความเมตตาความรักรวมทั้งความอดทนนะอันนี้พอคนที่เก็บเงินได้เนี่ยนะกระเป๋าเงินได้เนี่ยเขามีความรู้สึกดีนะเกิดกุศลธรรมขึ้นมาใน ใ, นใจเนี่ยความอยากจะเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลเจ้าของกระเป๋าเงินก็เกิดขึ้นได้ง่ายันะ ถึงแม้เขาจะต้องขนขวายนะไปไปสนันนีเพื่อที่เอากระเป๋าเงินไปส่งคืนเจ้าของนะเขาก็พร้อมที่จะทำในภาวะเช่นนั้นเนี่ยความเห็นก่นตัวหรือว่าความโลภเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะเพราะว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เห็นภาพเด็กนะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าทำที่เมืองไทยเนี่ยนะมันก็คงจ ะ, ะมีผลคล้ายๆกัน แต่เปอร์เซนต์อาจจะน้อยลงนะแทนที่จะเป็น88ปเซตก็อาจจะ50เปอร์เซนตนะแต่ก็ยังสูงกว่าการเอาภาพอื่นใส่เข้าไปแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเิว่าเราใส่ภาพพระพุทธรูปนะหรือว่าภาพหลวงพ่อหลวงตาที่ผู้คนเขารดนับถือเนี่ยนะก็อาจจะมีโอกาสได้คืนเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยเขาก็เกิดสำนึกเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษขึ้นมานะ กัวบาปนะถ้าจะเก็บเงินนั้นเอาไว้หรือว่าอยากจะได้บุญนะเออเราเช่วยสงเคราะห์เขาหน่อยนะมันเป็นบุญเน ก, กุศลเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นไปได้นะแต่ว่ายังไม่เคยมีการทดลองนะแต่ที่มีการทดลองหลายครั้งในหลายที่เนี่ยเขาพบว่าเนี่ยผลไม่คคล้ายๆกันก็คือว่าถ้ามีภาพเด็กนะภาพเด็กอยู่ในกระเป๋าเนี่ยให้กุศลธรรมเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยนะ มันนำไปสู่การทำความดีต่างๆได้ง่ายนะในทำนองเดียวกันถ้าเกิดอากุณสรถธรรมขึ้นมาเช่นเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพาให้ทำสิ่งไม่ดีอย่างอื่นได้เช่นถ้าเกิดคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้นี่เขากำลังมีความเครียดความหงุดหงิดเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะสงคืนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความเป็นแกตัวนะ หรือว่าพลังฝ่ายลบเนี่ยเข้ามาครอบงำใจคนเราเนี่ยในจิตใจคนเรามีทั้งสองพลังนะพลังฝ่ายบวกพลังฝ่ายลบหรือว่าความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับความเห็นแก่ตัวคนเราจะทำความดีก็เพราะว่าพลังฝ่ายบวกมันได้รับการกระตุน้นได้รับการกระตุ้นเราบางครั้งเนี่ยเขาก็พบนะว่าคนเราทำความดีได้ง่ายนะหรือว่ามีความเมตตา ถ้าว่ามีอะไรมาจูงใจหรือโน้มน้าวนะเช่นระหว่างที่อเดินผ่านห้องห้องหนึ่งแล้วก็เห็นพระพุทธรูปหรืว่เห็นวิวทิวทัศสวยงามเห็นภาพเด็กยิ้มนะร็จแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะอาจจะกําลังสอบอยู่หรือว่ากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ได้เห็นคนเดินผ่านมาแล้วเขาทําของหล่นอาจจะเป็นแค่ของเล็กๆน้อยๆเช่นดินสอเนี่ย แนวน้มของคนคนนั้นเนี่ยที่จะลงไปก้มเก็บดินสอแล้วคืนให้กับเจ้าของเนี่ยมีมากมีมากกว่าเวลาที่เขาเดินผ่านมาแล้วเขาเห็นเห็นศูนย์การค้าเห็นนักธุรกิจเห็นภาพนักธุรกิจถือกระเป๋าเจมบอลหรือว่าเห็นแบงค์ดอลลาร์นะเป็นภาพอยู่ติดสาผนังเนี่ยเขานั่งที่โต๊ะแล้วก็มีคนเดินผ่านมาหรือนั่งอยู่หน้าโต๊ะเขาแล้วทำทาดินสอตรงเนี่ย โอกาสที่จะเก็บเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บดินสอให้คนคนนั้นมีน้อยคนคนเดียวกันเนี่ยสามารถจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันได้นะเพียงเพราะว่าเขาได้เห็นอะไรนะที่มันกระตุ้นความรู้สึกแบบไหนนะเช่นถ้าได้เห็นภาพพุทธรูปหรือเห็นวิวชื่อท่านเนี่ยใจมันสบายผองใสเนี่ยก็อยากช่วยเหลือเอื้อเฟื้อช่วยเก็บดินสอให้กับคนที่ทําดินสอตกแต่พอเห็นเงินเห็นเห็นเงินเห็นนักเห็นรูปภาพนธุรกิจเห็น ย่างศูนย์การค้าเนี่ยมันความรู้สึกโลภความรู้สึกเห็นแก่ตัวนะมันเกิดขึ้นนะถึงตอนนั้นเนี่ยความเอื้อเฟื้มก็น้อยลงอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะมันมีคนเขาศึกษาวิจัยนะแล้วก็พราะว่ า, าคนเรานี่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอะไรข้างในอยู่ในใจแต่เป็นเพราะอาศัย ปัจจัยภายนอกด้วยว่าเป็นสิ่งเราอะสิ่งเราอารมณ์แบบไหนหรือว่าสิ่งเรากุศลธรรมหรือว่าอกุศลธรรมนะแล้วนี่ก็มันก็เป็นกับเราทุกคนนะัะนะเราทุกคนก็มีทั้งพลังฝ่ายบวกพลังฝ่ายลบหรือว่าความฝ่ายดีและความฝ่ายต่ําเป็นอยตัวบางครั้งเราทําดีก็เพราะว่าพลังพลังฝ่ายดีเนี่ยมันเอาชนะพลังฝ่ายลบได้ และที่พลังฝ่ายดีพลังฝ่ายบวกเอาชนะได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมเห็นภาพเด็กเห็นภาพพุทธลูบเห็นภาพยูทูบแต่ถ้าคนที่ฝึกมาดีนะมันไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะมันสามารถจะปลุกราวขึ้นมาได้เองโดยเพราะจะทําเป็นนิสัยนะเช่นถ้าเอื้อเฟื้อเกื้อคุนเป็นนิสัยเนี่ยนะก็สามารถที่จะก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งเราเห็นใครทำกระเป๋าเงินตกก็รีบหาทางส่งคืนให้เลยเราต้องมาถึงจุดนี้ได้คือว่า สามารถที่ทําให้พลังฝ่ายดีมันยั่งยู่ในใจเราไม่ต้องอาศัย ส, สิ่งเราหรือว่าสิ่งกระตุ้นภายนอกนะแต่สําหรับคนทั่วไปวก็ต้องอาศัย ส, สิ่งนี้แหละสิ่งเราภายนอกช่วยด้วยนะเพราะว่าคนที่จะทําความดีด้วยพลังภายในใ จ, ใจิตใจตัวเองลว้ลวนๆเนี่ยมันมีน้อยนะต้องอาศัยตัวช่วยคือปัจจัยภายนอกด้วยอลัลลาเตรียมรับพร